แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะถึงความร้อนจะเกิดเหลือทนอย่างนั้นก็ริงความเพียรก็ไม่ย่อหย่อนสติก็ไม่ฟั่นเฟือนแต่กายที่ตั้งไว้เนี่ยนะเพราะความเพียรันั้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ทำให้จิตไม่สงบแต่ถึงอย่างนั้นทุกขเวทนานั้นก็ไม่ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ต่อไปได้ก็เรียกว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเาเรียกว่าดูท่าแล้วเกือบตายอางนั้นนะเกือบตายเลยก็ความกลั้นลมหายใจเนี่ยนะ กลั่นจนจนเทวดาบางพวกก็เลยเห็นปับไม่ทันไรสิว่ากันนะเทวดารุ ก, กเทวดาที่อยู่แถวแถวที่ชงกรมนั่นแหละเห็นเราแล้วก็กล่าวอย่างนี้พระสมณโคดมรำกาละเสียแลว้วเนี่ยนะเทวดาเห็นปั๊บโบตายแล้วอย่างนี้เนี่ยนะกลั้นลมหายใจตายแล้วนี่ยนะไอเทวดากลุ่มหนึ่งก็บอกไม่ได้ทำไม่พระองค์ยังไม่ตายแต่แค่เกือบจะตายเนี่ยเยอย่างเนี้ยอาการใกล้จะตายชัดๆแต่ไม่ถึงกับตายเราแค่เกือบตาย นะเทวดาพวกที่สองไอ้เทวดาพวกที่สก็บอกออ้ยไม่ตายหรอกไม่ใช่ตายด้วยไม่ใช่ใชกําลังจะตายด้วยแต่นี่นี่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไอ้วิหารธรรมการทําแบบเนี้ยเป็นเครื่องอยู่พิเศษของพระอรหันต์แอา ว, ว่าเทวดางตีออกเป็นสากลุ่มเลยนะเทวดายังแตกความเห็นเลยแบบนั้นนะ่ะพวกหนึ่งบอกตายแล้วพวกที่สองบอกย่างแค่เกือบตายไอ้พวกที่สบอกออ้ยนี่แหละวิหารสมาบัติของพระอรหรันต์ละ ก็มีเทวดากลุ่มหนึ่งเนะออี่ยนะเขาารีบไปบอกพระเจ้าสุดโทธนะบอกลูกพระองค์ตายแล้วพระเจ้าข้าว่ากันน่ะนะพระเจ้าสุดโทธนาบอโอยยังเทวดาถ้าหากว่าพระลูกเราไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ตายหรอกเนีนะพระเจ้าสุดโทธนะก็ไม่เชื่อนะถ้าเทวดากลุ่มเนี่ยไปฟ้องพระเจ้าสุดโทธน ะ, ะเจ้าสุดโทธนาตั้งใจก็เครียดโคเลยนะได้ข่าวลูกตายเนี่ยลูกชายเนี่ยนะทุกข์มากเลยนะ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าอะไรนะพอลูกทุกพ่อฝันร้ายเลยไหมเคยไดีนไพอลูกทุกแม่ฝันร้ายแหละคล้ายๆแบบนั้นแหละอคิเวสนะนะหลังจากผ่านเรื่องเรื่องอะไรเรื่องกลั้นลมหายใจเนี่ยนะนะมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องกลั้นลมหายใจอยู่หกวิธีใหญ่ๆด้วยกันแต่สรุปว่าปวดหัวปวดอลมออกหูปวดหัวอันนะเหมือนกับเอามาเอาเหล็กแหลมมาทิ่มหัวปวดท้องนะเหมือนกับถูกปิ้งถูกย่างเป็นต้นเนี่ยนะแต่อย่างนั้นก็สัต ความเพียรที่ตั้งไว้ก็ไม่ได้ทําให้ย่อหย่อนท้อแท้สติที่ตั้งไว้ก็ไม่ฟั่นเฟือนหลงลืมแต่ว่าไอความเพียรที่ทําอย่างรุนแรงทําให้กายไม่สงบกระสับกระสายย่าเยเนี่ยบางทีตัวสั่นเลยนะเร็วเลยแหละเหมนทีนี้พอผ่านเรื่องลมหายใจเข้ามาเอาเลุยเรื่องอาหารบ้างเรานั้นปริวิตกอย่างนี้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าใครเราเพึงปฏิบัติเพื่อตัดอาหารโดยประการทั้งปวงเลิกกินแล้วพอแล้วเหมือน่ะนนะ อคีเวสณนะพอเราคิดอย่างนั้นเทวดาก็เข้ามาใกล้เรากล่าวทำทวงว่าผู้นิรุตุท่านอย่าได้ปฏิบัติเพื่อตัดอาหารโดยประการทั้งปวงเลยถ้าท่านปฏิบัติเพื่อตัดอาหารโดยอาการทั้งปวงเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะแทรกทิปโอชาลงไปในขุมขนของท่านให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปอคีเวสณนะเราก็มีความคิดขึ้นว่าเราเองปฏิญาณการ งดการบริโภคอาหารโดยประการทั้งปวงแต่เทวดาเหล่านี้จะไม่หยอดโอชาทิพย์ลงในขุมขนให้ชีวิตของเราเป็นไปได้แม้ถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเทวดามาทำอย่างนี้มันก็เป็นเท็ศแก่เราสิป่ากก็บอกว่าเลิกทานอาหารโดยตัดอาหารแต่นี่เทวดาก็ยังเอาโอชาทิพย์มาใส่บอกไม่งั้นอย่าเลยห้ามเทวดาว่าอย่าเลยห้อย่าทำแบบนั้นนะคือท่านเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะไม่ต้องพูดมากหลายคำเหมือนกนแต่พูดคำเดียวเทวดาก็ไม่กล้าละ อคีเวสณะเรานั้นแหลได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าถ้าอยากกันนั้นเลยเราพึงบริโภคอาหารให้น้อยลงน้อยล ง, ลงวิธีลดอาหารวันแรกก่อนก็ฝายมือหนึ่งฝายมือก็คือว่าอุ้งมือนะหนึ่งอุ้งมือตอนหลังก็เท่ากับเหยื่อถั่วเขียวบ้างก็จะแปลว่าเท่าอาหารเท่าถั่วเขียวเท่าถั่วผูเท่าถั่วดำเสร็จแล้วก็เท่ า, มาเมล็ดบัวเ น, นี่ยนะเราบริโภคอาหารให้น้อยลงเท่าฝ่ามือเท่าถั่วเขียว หัวภูแล้วก็ถั่วดําแล้วก็เม็ดบัวนเนี่ยนะกายของเราก็กลายเป็นขอดเป็นเกลียวยิ่งนักมันพร้อมสิดาอะไรอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเป็นประหนึ่งเถาวันที่มีข้อมากแปดสิบข้อหรือเถาวันที่มีข้อดําฉะนั้นเพราะอะไรเพราะอาหารน้อยเนี่ยนะก็เท่าถ้าทานอาหารในวันละเม็ดนเม็ดบัวนี่ก็พร้อมดําด้วยนะพร้อมแล้วก็เขียวดําเลยแหละมันก้นกด ก้นกบของเราก็แฟบเข้าไปเหมือนสันฐานเหมือนกีบเท้าอูดฉะนั้นเพราะอะไรเพราะอาหารน้อยเนี่ยนะโอ้มหมาปุริสลักษณะ32ประการหายหมดเลยเนะนี่ยนะไอโนพยัญชนะ80ประการหายหมดก้นเหลือเหมือนกับรอยเท้าอูดเนี่ยนะโอ้แฟบขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะอาหารน้อยซี่โครงของเราเนี่ยนูนเป็นร่องเป็นร่องดังกรอนในสาระเก่าชํารุดสุดโสมมากเนะี่ยเคเห็นอะไรนะพระพุทธรูปปางทรมาลไหมเนี่ยนะ อย่างที่แบบของประเทศเลยนะประเทศประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยต้นตำรับเลยนะพระพุทธรูปพร้อมกร่องอยานะั้นแต่แ่มท่านนี้นึกถึงเมื่อวานเมื่อวานนั่งรถมาเห็นขบันทุกซี่โครงควายเนี่ยนะเต็มรถกระบะหกสิบลอ้อเนี่ยเอต้นกระบะหลอ้อนะกระบะหกล้อเนี่ยนะข้างหลังไปไปหมดซี่โครงควายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ พอพูดอย่างนี้ป๊บนึกถึงเสี่โครงควายเลยนะว่าหกระบะแล้วก็1กระบะรถ6กลอ้อนี่ควายกี่ตัวนาเนี่ยนะวางซ้อนซๆๆ ซ, ซ, ซี่โครงทั้งนั้นเลยเนะี่ยนะสี่โครงอย่างเดียวนะี่นะาบอกว่านะนะตรงนี้พระโพธิสัตว์อุปมาเหมือนกรอะไรนะกรอนในเรือสาราเก่ามันชมรุดเนี่ยนะนะก็คือไอ้กรอนเรือนก็คือข้างบนอ่ะนะเคยเห็นที่เขางงหญ้าคาไหมไอ้ที่ที่เขาจะงงยากคามันต้องงงที่กรองถ้าหญ้าคามันยุบลงอ่ะ มันก็จะโผล่แต่กลอนเนี่ยนะมันก็มียากฮาโปะปะนี่ๆน่อยๆนะอย่างอันนี้ก็ซี่โครงท้องเออแถวแถวอกก็มีแต่ซี่โครงต่อไปดวงตาบังดวงตาของเราเนี่ยนะดวงตาแห่งเราเนี่ยปรากฏกลมแล้วก็ลึกเข้าไปในกระบอกตาประหนึ่งดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำอันลึกฉะนั้นเพ่ออะไรเพราะโทษอาหารน้อยอย่างเดียวหนังศีรษะบนศีรษะของเราเนี่ยนะ ที่ถูกสัมผัสแบบนั้นก็เหี่ยวแห้งไปประหนึ่งน้ำเต้าขมน้ำเต้าขมแบบประเภทแบบยังยังสดเนี่ยนะที่บุคคลตัดเอามาแล้วมันเหี่ยวมันแห้งเฉาเนี่ยนะอะไรเหมือนเหมือนกับเหมือนน้ำเต้าอ่ะนะเหมือนน้ำเต้าหรือเหมือนแตงโมเม็ดเล็ก อ, ะอ่ะเม็ดโตแตงโมที่ยังไม่สุกถ้าตัดออกไปมันก็เฉาลงไปเนี่ยนะหัวนี่เป็นอย่างนั้นเลยแหละเพราะอาหารน้อยเราคิดจะคลําหนังท้องก็คลําไปถึงกระดูกสันหลัง คิดว่าจะคลํากระดูกสันหลังก็จับถึงหนังท้องแปลว่าที่เอวเนี่ยนะรวบเอวใช้มือรวบเอวได้เลยใช่ไหมพร้อมขนาดนั้นนะมือรวบเอวบางคนเนี่ยโอ้ยแทบจะตาไปตั้งนานแล้วใช่ไหมเป็นโรคกระเพาะตาไปแล้วแต่นี้ไม่เพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ทําด้วยโทสะไม่ได้ทําด้วยความเครียดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอคีเวสนะหนังท้องของเรานี่เหี่ยวแห้งจนติดกระดูกสันหลังเนี่ยนะน้ำใส่บางคนเนี่ยอาจจะเสียไปแล้วก็ได้นะ เพราะอะไรเพราะอาหารน้อยเรานั้นแหลคิดว่าจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ส่วนล้มลงตรงนั้นนั่นแหละคิว่าคิดจะถ่ายอุจจาระก็ล้มแผลลงไปน่นนะเพราะอาหาร น, อน้อยอคิเวชนะเรานั้นแลคิดว่าจะให้กายนี้สบายบ้างก็นวดไปตามตัวด้วยฝ่ามือเมื่อนวดไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็ตกมาจากกาย น, น่นนะจับตรงไหนข น, นก็หลุดหมดเพราะอาหาร น, อน้อยอักขีเวชนะ ยังไม่ทันไรมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วก็บอกพระสมณโคโดมเนี่ยดำไปพวกชาวบ้านที่พระองค์เคยไปบินทบาทเนี่ยนะมาเห็นอู้ทําไมดำอย่างนี้บอกไม่ใช่ดำคล้ำไปเฉยๆไอ้พวกนึงก็บอกดำก็ไม่ใช่คล้ำก็ไม่ใช่แต่ว่ามันพร้อยไปบ้างเน่ยนะคิดไม่เหมือนกัน เ, นเห็นเหมือนกั น, นยังคิดไม่เหมือนกันเลยนะ่ะอาคีเวสณนะผิวพรรณของเราที่เคยบริสุทธิ์ปุดผ่อง เพียงนั้นบัดนี้มาถูกขจัดออกไปแล้วเพราะโทษมีอาหารน้อยอ น, นะเคยสวยเคยงดเคยงามขนาดไหนถ้าอาหารน้อยเข้าไปแล้วเนี่ยจะอยู่ในสภาพอย่างไรอย่างที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะอย่างที่เคยมีบางท่านเล่าให้ฟังว่าคนที่เคยงามที่สุดตอนหลังไปติดเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็ทานอาหารไม่ได้ก็พร้อมๆๆๆๆๆอๆจนดูไม่ได้เลยเนะนะถามเพราะอะไรเพราะอันนั้นอันนั้นโรคใช่ม โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะอาหารน้อยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็บอกว่าไปคิดดูก็ไปดูเนี่ยพวกกลุ่มสังคมพวกนี้ก็แล้วกันพวกนี้ไม่ค่อยกินข้าวเนี่ยนะบอกว่าพวกที่อาหารน้อ ย, อยจริงได้กลิ่นอาหารเนี่ยอจีนเลยเนี่ยนี่ยพวกที่อาหารน้อยๆเข้าไปมันจะมันจะแปลสภาพเบื่ออาหารไปเลยอักขีเวสณนาะเราก็มีความคิดขึ้นว่าสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีต ที่เคยเสวยทุกขเวทนาเจ็บปวดกล้าแข็งเผ็ดร้อนอย่างยิ่งก็เพียงนี้เท่านั้นแหละไม่ยิ่งไปกว่านี้หรอกอดีตที่ผ่านมาจะยาวนานขนาดไหนคนที่เคยอดอาหารเจ็บปวดเสวยความทุกข์นะคนที่มีความทุกข์ในโลกไม่มีใครทุกข์เกินนี้อีกแล้วถ้าใครที่ทุกข์เจ็บปวดเกินนี้ตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาจะมีกี่ล้านกับกี่หมื่นกับคนที่เจ็บปวดสุดๆก็อย่างนี้ ก็แสดงว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่ค่อยๆเถื่อเนื้อออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะมันเจ็บปวดอย่างงี้มันเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งเลยหมนนน่ะในอนาคตสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจากสวยทุกเวทนาเจ็บปวดกล้าแข็งเปิดร้อนอย่างยิ่งก็จะอยู่แค่นี้แหละมันไม่เกินกว่านี้หรอกคนที่ต่อไปจะเจ็บปวดมันก็เจ็บเท่านี้แหละ การ บ, บัตรนี้สมณพรามหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งที่สวยทุกขเวทนาเจ็บปวดกล้าแข็งเผดร้อนอย่างยิ่งก็ทุกเท่าเรานี่แหละไม่มีใครทุกเกินกันนี่อีกแล้วแต่เราก็ไม่ได้บรรลุญาณนทะัศนวิเศษอันเป็นอริยบุคคลคืออุตริมรุษธรรมไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะทุกขระกิริยาที่เผ็ดร้อนเลยแสดงว่าจะต้องมีทางอื่นเพื่อการตรัสรู้อย่างแน่นอน อันนี้ไม่ใช่แสดงว่าต้องมีทางอื่นเพื่อการตรัสรู้พ้นความเจ็บปวดอันนี้ไม่ได้ทําให้เกิดการตรัสรู้พ้นกายะภาวนาแบบเดียร์ธีมไม่ได้ทําให้เกิดการบรรลุอย่างแท้จริงเนี่ะเอทางอื่นที่จะทําให้บรรลุมียังมีแน่นอนเรายัางจําได้ว่าในงานบิดาของเราก็คือที่มงคลแรกนาขวัญเนี่ยนะที่ไถานาเนี่ยพระโพธิสัตว์ไปนั่งที่เงาร่มไม่ว่าต้นหนึ่งที่ร่มเย็น ตอนนั้นก็สงอาจากการมทั้งหลายสงัาจจากกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ก็เลยคิดว่าปฐมฌานอันนั้นน่าจะเป็นบาตแห่งการตรัสรู้เนี่ยนะเป็นบาตแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานอาคีเวสนะเรานั้นก็มีความรู้สึกเล่นไปตามสติเรียกว่าสตานุนุสาริวิญญาณ น, นี่แหละว่าหนทางคือการเจริญอน า, นาปานสติให้ได้ฌานน่าจะเป็นบาตแห่งการ ตระสรู้อคีเวสนะเรานั้นก็มาปริวิตรกคิดขึ้นมาว่าเราจะกลัวความสุขซึ่งเป็นความสุขนอกจากกามทั้งหลายนอกจากอกุศลธรรมเลหรือนี่เรามากลัวความสุขที่ไม่เปื้อนบาปใช่ไหมนี่เออเราทำไมเราต้องมากลัวความสุขที่ไม่เปื้อนบาปด้วยล่ะความสุขที่ไม่เปื้อนอกุศลความสุขที่ไม่เปื้อนบาปกลัวทาไมอคีเวสนเรานั้นก็มีความปริวิตกต่อไปว่า เราไม่ควรจะกลัวความสุขซึ่งเป็นความสุขนอกจากกามเราไม่ควรจะกลัวความสุขที่เป็นสุขนอกจากอากุศลเช่นนั้นเลยเราไม่ควรกลัวสุขที่เกิดจากเนคขมมะไม่ควรกลัวความสุขที่จากฌานนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงถึงว่าพระองค์เนี่ยไม่ถูกเวทนาครอบงำสุขเวทนาก็ไม่ครอบงำจิต ทุกขเวทนาก็ไม่ครอบงำจิตมีแต่คิดหาช่องทางเพื่อการตรัสรู้อย่างเดียวทุกอย่างเจ็บปวดขนาดไหนก็น้อมไปเพื่อการตรัสรู้สุขขนาดไหนก็น้อมไปเพื่อการตรัสรู้พันความสุขความทุกข์ไม่ได้เป็นอุปสรรคสาหรับพระองค์เลยอคิเวสนะเรานั้นก็ได้มีความปริวิตตกในเรื่องนี้อีกว่าการบรรลุถึงความสุข ด้วยกายอันถึงความลำบากมิใช่กระทาได้ง่ายมันคนเจ็บป่วยจริงๆนะบรรลุไม่มากเน่ยนะนะคนที่เจ็บป่วดเจ็บป่วยคนที่มีความทุกทางกายทุกทางใจลำบากกายลำบากใจยากที่จะบรรลุยิ่งพายพร้อมเป็นโครคภัยไข้เจ็บบอกว่ายากที่จะบรรลุว่าไงพระองค์ก็บอกเลยเนี่ยไอความเจ็บป่วยพร้อมกระรองแบบนั้นเนี่ยทำให้พระองค์บรรลุยากว่า้นทําไม่ง่ายหรอกถ้าอะไรเราเพลิงกลืนกินอาหารที่หยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิด อคิเวสนาะเราจึงกลีกลืนกินอาหารที่หยาบคือข้าวสุกและขนมสดอคิเวสนาะโดยสมัยนั่นแหละภิกษุปัญจวัคคีทั้งห้ารูปผู้บำรุงเราอยู่ตั้งใจว่าพระสมณะโคดมบรรลุธรรมใดจักบอกธรรมนั้นแก่เราอาคิเวสนาะตั้งแต่เรากลืนกินอาหารหยาบมีข้าวสุกและขนมสดภิกษุปัญจวัคคีทั้งห้ารูปพากันหนายหลีกไปจากเรา เพราะเข้าใจว่าพระสมณะโคโดมเป็นคนมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากตอนแรกก็แหมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายดีดีอยู่ตอนนี้กลับมากินเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดทำทุกขนาดนั้นยังไม่บรรลุมากลับมากลืนกินอาหารแบบนี้มันจะบรรลุได้ยังไงหนีดีกว่าว่ากันก็เลยชวนกันไปอยู่ปลายสิปตนมามฤุกทายวัน อคิเวสณนะเรานั้นกลืนกินอาหารหยาบพอให้มีกำลังขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็สงัดจากกามสงัดจากอากุศสลธรรมทั้งหลายเข้าเข้าปฐมฌานฌานที่หนึ่งที่มีวิตกมีวิจาร์มีปีติสุขเกิดจากวิเวกอยู่อคีเวสณนะสุขเวทนาในปฐมฌานเห็นป่านนี้ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่เครืองไม่ได้หมกมุ่นสยบบอกพอแล้วเนี่ยนะ แม็เมื่อก่อนทุกเหลือเกินบัตรนี้ได้ปฐมไมชานแล้วพอแล้วนี่ก็เป็นความสุขแล้วพระโพธิสัตว์ไม่ได้ติดอยู่แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าทุติยฌ า, านยังใจให้ผ่องใสในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณเพราะสงบวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เนี่ยนะนะถึงทุติยฌ า, านอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ครอบงำจิตของพระองค์เนี่ยนะกนละาวไม่สยบหมกมุ่นติดอยู่เฉพาะ ความสุขในทุติยฌ า, านเสร็จแล้วก็เข้าตติยฌ า, านเตตั ต, ติยฌ า, านพระองค์ก็ไม่สยบติดใจยอยู่ในตติยฌ า, านหลังจากนั้นก็เข้าจัตุทัชฌานถึงได้สุขเวทนาในจตุทัชฌานาได้รับความสุขในจตุทัชฌานเห็นปานใดสุขเวทนาอันนั้นก็ไม่ครอบงําจิตตั้งอยู่เรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ปราศจากอุปกิเลส นะเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้ว น, นะ ก, ก็แสดงว่าฌานทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของพระองค์พระองค์ก็อาศัยฌานเป็นบาศเนี่ยนะจิตที่อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้น้อมจิตไปเพื่อยานเป็นเครื่องตามระลึกถึงแปลว่าน้อมไปเพื่อปุเพนิวาสานริยานระลึกชาติที่เคยมีอยู่ในการก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงระลึกถึงชาติ หรือขันที่เคยอยู่ในชาติก่อนโดยประการต่างๆระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบยี่สิบสามสิบี่สิบห้าสิบร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายแสนชาติตลอดสังวัตตกับตลอดวิวัตตกับตลอดสังวัตตกับวิวัตตกับว่าในภพนั้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้น มีอายุเพียงนั้นตายจากชาติ น, น, นั้นมาเกิดในชาติโน้นตายจากชาติโน้นสู่ชาติโน้นเป็นต้นเนี่ยนะพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศอันนี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุพันเรากำจัดอวิชาเสียได้วิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียได้แสงสว่างก็เกิดขึ้นสมกับบุคคลผู้ไม่ ประมาดยังความเพียนทากิเลสให้เร่าร้อนมีตนส่งไปแล้วอยู่ฉะนั้นแกเรียกว่าเหมาะสมแล้วที่ทำได้ขนาดนี้อักิเวสนะถึงสุขเวทนาที่เกิดในปุเพนิวาสานุสติญาณสุขเวทนาความสุขที่ร่วมกับฌานอภิญญาสุขเวทนานั้นก็ไม่ครอบงมจิตตั้งอยู่เนี่ยนะส่วนทุติยฌ า, านตัติยฌ า, านเป็นต้นนี้ก็คงไว้วันวันพรุ่งนี้บ้างอะเนาะอะขอไป ยาในชานที่สองชานที่สามเป็นต้นก็ไว้เป็นพุ่งนี้บ้างนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้จอมพร